200ผู้มีญาณรู้ตนเองอัตตาจึงจะถอยลงไปรู้ผีชนิยามถ้ารู้ของพรังานทั้งหลายที่ยังไม่เป็นความรู้ขั้นสูงเพียงพอเป็นญาณความรู้ของกิตนิยามเข้าขั้นโลกุตระที่สามารถรู้จิตในจิตของตนเองสักกะสะยะสะวะจนแยกแยะรายละเอียดต่างๆได้ ก็ปฏิบัติอย่างเดินหน้าแล้วถอยหลังทวนไปมาได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังงานขั้นพีชานิยามมันยังไม่มีท่ารู้ที่มีคุณภาพพอที่จะรู้ความเป็นประมุธรรมมันยังไม่มีความรู้สึกที่ผูกพันหรือยึดติดถึงขนาดนั้นขออารมใช้ภาษาว่ามันยังไม่ติดใจใจนั้นคือท่าที่เข้าขั้นจิต พลังงานพีชะยังไม่นับเป็นวิญญาณาธาตุยังไม่ถึงจิตพีชะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มีาธาตุกำหนดรู้สัญญาได้แล้วมันสามารถยึดอาถานได้เท่าสภาพของมันซึ่งยังไม่ยึดแรงยึดจัดยึดมัน่นจนเก่งกาจกระทั่งถึงขนาดพลังงานที่เป็นจิตความรู้สึกของมันยังไม่ยึดหนักถึงขั้นรักหรือชัง ยังไม่เข้าขั้นมาตรฐานที่จะเป็นเวทนานั่นเองจึงยังไม่ยึดถึงขั้นดูดเดิงหรือผูกพันอาทานมาให้ตนมาเป็นตนหรือยึดถึงขั้นจองเวรที่ยังช่งงยังแค้นซึ่งเป็นการยึดเอามาผนวกเข้าในพลังงานของตนกระช่างข้ามภพข้ามชาติผ่านองค์คาพยพแห่งรูปธรรม ของความเป็นตนในชาตินี้ไปเพราะพลังงานขั้นพีชะยังไม่มีอาการหนักหรือแรงหรือจัดในความเป็นธาตุรูนามธาตุของมันเองจนมีปริมาณหรือคุณภาพมากถึงฟานชนนมันยึดแค่เอามาให้ตนใช้ปรุงแต่งตนแค่องค่าพยพบของรูปของร่างที่เป็นตัวมันชาตินี้เท่านั้น ยังไม่เอาเกินความกำหนดรู้ที่ตนมีหรือยังไม่บำเรอความรู้สึกของตนว่าเป็นลาบของเราแล้วหนอที่มีความรู้ใหม่ความรู้สึกใหม่อันแปลกใหม่ไปจากที่ตนมีอยู่เดิมแล้วก็หลงยินดีสะสมความรู้ใหม่ความรู้สึกใหม่นั้นเข้าไปใส่อัตตาตน ปริมาณและคุณภาพของสิ่งใหม่นี้จึงจะเพิ่มความเป็นเวทนาให้ผู้ยินดีในความรู้ใหม่ความรู้สึกใหม่ยึดติตกลายเป็นพระวันติจิตจนได้เมื่อเหตุปัจจัยครบถึงขีดความเป็นจิตนิยามและหากผู้มีจิตนิยามนี้ยังมีอวิชชาอยู่ตราบใดก็จะมีความวิปลาช ให้แก่ตนอยู่ต่อไปอีกนานจนกว่าจะมีวิชาของพุทธถ้าพลังงานพีชะใดยังมีคุณสมบัติไม่ถึงขั้นเป็นเวทนามันมีแค่สัญญาและสังขารพลังงานของมันอยู่ยังไม่มีปริมาณและคุณภาพข้ามขั้นเป็นจิตบริบูรณ์ก็ยังไม่นับว่าเป็นวิญญาณธาต ก็ยังเป็นแค่อนุปาทินกะสังขารเท่านั้น